สวงเจ้าเทวาแห่งศรัทธาบูชาวนราเจ้าตั้ตัวให้เจ้าให้เป็นมงคลนมนเตียงไาลแห่งสัมมาเทพเทวาน้อยห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แดนใดประทานให้ได้ทค้ง นาทนอวถยส่งสะลวยสวยดำเหนือนเด่นใครต้องเห็นเป็นมนต า, านาคในแดนสวรรค์สันตาสุรไลีโบแดนใดทำถ้วยไทยเมื่ ลำบูชาบ้วนสวงน้องสักการะบูชาเด่นสวงหาทางบว ง, งเถิดไทย สำเร็จตลาธนาบุญอันใดพ่วงขาบูชาเข้าไหว้วันพาลำบูชาขึ้นเมืองสู